ที่มีอายุพรรษามากกว่ากระผม <c oughs> คระผมขอโอกาสที่จะได้แสดงธรรมเทศนาวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งมหามงคลยิ่งเนื่องในพิธีฉลองอายุวัฒนะมงคลครบ97ปีพระธรรมมงคลยานวงเล็บ หลวงปู่วิทยังสิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลและประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยศในประเทศแคนาดาและในงานสวดสักขีบทชีหมื่นคนวันที่8ถึงวันที่11ณนะวัดธรรมมงคลแขวงบางจาก เขตพระขนงกรุงเทพมหาคนครซึ่งดำเนินการบวชเนกขำ่ำได้มีพุทธบทพุทธศาสนิกชนเข้ามาบวชปฏิบัติบาเพ็ญทานศีลสมาธิปฏิบัติและตามนักแนวแถวสายวัดป่าหลวงของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งลูกปู่ของเราอายุก้าสเจดปีร่มโพ ร, ร่มใสของลูกของหลานแล้วก็องค์ท่านก็ได้เป็นที่เรืองรือที่องค์ท่านได้ไปฝึกครูสมาธิพลังจิตตานุภาพ ในสถานที่ต่างๆ ท, ทั่วประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับกันทุกแห่งหนเป็นความคิดขององค์ท่านหลวงปู่ของเราเป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วก็เป็นแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่ ครูบาอาจารย์ที่อยู่กับองค์องค์งงหลวงปู่มั่นคงจะเป็นองค์นี้ระวังเป็นองค์สุดท้ายลูกปู่ของเราเป็นลุงสุดท้ายอนอกนั้นเขาคงจะได้เข้าไปอยู่บ้าง เ, เข้าไปกราบไปคารวะช่วครั้งช่วงคราวก็ยังมีอยู่ที่ได้เคยเห็นหลวงปู่มั่นแต่ผู้ที่ได้อยู่ศึกษาจริงๆก็คงจะเป็น หลวงปู่วิไลยังของเราเนี่แหละเป็นองค์สุดท้ายอายุของท่านก็เก้าสิบเจ็ดปีเป็นพระมหาเถรรักที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เป็นวันมงคลมหามงคลที่ท่านสิทิญานุสิทธ์องค์ท่านก็ได้ไปกราบ ไปขออรตนานิมนต์อัตมาภาด้วยนิมนต์หวลวงพ่อนะหลวงพ่อว่านหลวงพ่อก็แล้วกันนะคณะทนะ า, ายาทโยมเอ่อพอมองมองดูก็เป็นลูกลูกหลานน้องๆมากกว่าที่จะเป็นพี่พี่ของหลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่อเดี๋ยวอายุเดี๋ยวนี้ก็เจ็ดสิบสองปีแล้วนะคณะทนะ า, า, ายาทโยมเอ่อฟันสาพระของหลวงพ่อเนี่ยห้าสิบ ห้ 52, สาสิบสองพันสาดให้ฟังได้นั่นเลยบวชปีศูนย์แปดอย่างที่โคศกได้กล่าวประวัติหลวงพ่อให้ฟังหลวงพ่อยังแปลกใจโคศกได้ประวัติหลวงพ่อมาจากไหนวะเนี่ยและ ว, วันนี้ก็ได้มาร่วมแสดงมุทิตาสักการะกับ หลวงปู่ใหญ่ของพวกเราวฉนนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งอนต่อนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมโอธนิยกถ า, นะ เ, าเพื่อฉลองเสริมบุญบารมีขององค์หลวงปู่พวกเราในฐานะลูกห ล, ล, ล, ลานเลนลูกหลานเลนของหลวงปู่มาแล้วก็ มาชมหรือว่ามากราบมาไหว้สักการะในบุญบารมีขององค์หลวงปู่ของพวกเราหลวงปู่ของพวกเราทำคุณูปการให้กับโลกให้กับประเทศไม่ใช่ประเทศแตกับโลกะท่านไปอยู่ที่แคนาดาจากนั้นท่านก็ได้สอนได้สอนวิธีทาสมาธิให้ชาวต่างชาติชาวฝรั่งมั่งค่า โดยมากเขาจะไม่ยอมรับง่ายๆนะแต่ในหลวงปู่ไปสอนได้ทราบขาวว่าเขาให้ความสนใจอย่างมากในหลายประเทศช่วงเวลาที่หลวงปู่ไปอปบรมแนะนำสั่งสอนในชาวต่างชาติคนนั้นถือว่าหลวง ป, ปู่เป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้บุกเบิกในชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างเช่นชาวยุโรปนะพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้เห็นได้รู้นะวันนั้นวันนี้จึงพวกเราได้มาพร้อมๆกันกับลูกหลานทุกคนแมาแสดงมุทิตาสักการะในองค์หลวงปู่แล้วตอนนี้อไปหลวงพ่อเจเนียแสดงธรรมนะโมตัสสะภะคะวาโต มาเนะัมปาเดทาดีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่อาตมาภาพจะได้กล่าวสัมมนที่นิยกระถาในวันเกิดครบรอบอายุเจ็ดเก้าิบเจ็ดปีของหลวงปู่ของเราแต่วันนี้อาตมาภาพเอง จะพูดเกี่ยวกับเรื่องสมาธิหรือว่าวิธีการทำสมาธิมากกว่าอย่างอื่นแต่ว่าเรื่องทุกทานเรื่องศีคลครูบาอาจารย์คงจะได้แสดงมามากพอสมควรแต่เรื่องสมาธิและเรื่องปัญญาอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคทื่อจะว่าเป็นแนวแถวของพระพุทธศาสนาหรือแนวแถวของพระพุทธเจ้า ก็จริงแต่ว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้นั้น4ี่สอย่างสุดแท้แต่ท่านผู้ใดจะหยิบยกเอากรรมฐานไหนมาปรรยายและมาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเพราะนั้นเป็นเทคนิคของแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ถือยังไงก็ตามก็อยู่ได้กรอบของหลักพระธรรมคำสอนของพุทธนะเพราะนั้น เรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่างไปแล้วก็มีไม่มากถ้าให้ย่นยอ่อลงมาแล้วก็นี่แหละเรื่องทานเรื่องศีลเอ่อเรื่องภาวนามีอยู่สามอย่างแต่ถ้าหากว่าให้ย่นลงมาอยู่ก็ยังมาอยู่เออที่ใจเออคือรักษาใจอันนั้นคือเป็นเรื่องที่ ในหลักของพุทธศาสนาถ้าจะว่ามากก็มากถ้าบรรยายไปแล้วก็แปด0 0สี่พันพระธรรมมขันมีมากทีเดียวบรรยายไปลวกกี่ช่องกี่ทางกีข่ขนแหงแต่ถ้าว่าเรารวบลัดเข้ามาเข้ามาสู่ใจอย่างที่ในครั้งพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งมี ตะกอดท่านก็เป็นคณะศรัทธาญาติโยมเป็นผู้มีอันจะกินท่านก็จิตใจของท่านไมาได้รับความสงบแล้วก็มากราบพระเถระท่านหนึ่งพระเถระท่านก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเ อ, อโยมการทำมาหาเลี้ยงชีพก็เป็นส่วนหนึ่งคือการสอบสวงหาทรัพย์แต่ว่าควรจะหาทรัพย์ หากำลังทรัพย์หรือหาทรัพย์เข้าสู่จิตใจด้วยเออเพราะให้ให้จิตใจมีหลักเราจะไปหาแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกอย่างเดียวควรจะให้มีการทําำ ท, ท, ท, ทานด้วยถ้ามีการทําทานแลใจของเราจะได้มีความเสื่อเผื่อแผ่ต่อสรรพสัตว์ต่อเพื่อนมนุษยชาติต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายใจของเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนะ พอคนมีมีฐานะมีทานมีการเสียสละมีความเมตตาต่อสรตวสัตว์ต่อมนุษย์โฉงคนนั้นเขาก็ปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามเออใช่เราได้รับความสุขจริงในการทําทานไปที่ไหนเราก็มีเมตตามีใครใครเห็นเราก็มีความรักเมตตาไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์เห็นเรา ก็เขาก็ให้ความเอื้อเฟื้อเอื้ออารเีเหมือนกับเราไปเดินไปที่ไหนหมามันเคยได้กินข้าวกับเราด้วยมันก็กรูเข้ามาเนะเราก็เห็นออเอื้อใจเนี่เพราะเรามีเมตากับมันมนุษยคก็มเหมือนกันถ้าเรามีการแบ่งปันคนยากจนทั้งหลายเห็นเราไปผ่านไปเขาก็พร้อมที่จ ะ, สะแสดงความเคารพกับเรานี่แหละอันนี้ถ้าถ้า ผู้ที่เห็นแล้วก็สบายใจก็เข้าไปกราบพระเทรซอีกไอ้ท่านอาจารย์ผมทําทานแล้วผมก็สบายใจอะไรจะให้ดีกว่าที่อีกมีอีกไหมครับเอออาจารย์ก็บอกว่าอือให้รักษาศีลนะรักษาศีลคือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษคนที่มีกายวายจามีโทษอยู่จะทําให้ตนเองเกิอดร้อนบางครั้งมันกระทบกระแทก กระเทือนถ้ารักษาศีลแล้วจะดีเออครับเขาก็รักษาศีลพอรักษาศีลห้าสิลแล้วก็ อ, อาจารย์ก็แนะนาให้รักษาศีลอุโบสถให้สํารวมกายของตนเองน ะ, ะคือระวังลิ้นไม่ให้ทานอาหารที่ไปทานอะไรมากมายพอประมาณแล้วกบพอแลอ้วพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็หยุดให้สํารวมลิ้นแล้วก็ให้สํารวมหู ไม่ให้ทัดคือไม่ให้ฟังเสียงร้องราทำเพลงที่มันทำให้กระเทือนทำให้จิตใจกระเพื่มอมถ้าเราไ้ฟังเสียงร้องราทำเพลงใจของเราก็วันไหวไปด้วยกับเสียงรำเสียงเพลงเสียงดนตรีนั้นจากน้านขอระวังจมูกคือไมใ่ในการทัดรงดอกไม้ของหอมแล้วก็ให้สํารวมระวัง เราจะไม่นอนที่นอนที่ยัดนุ่นแลสำลีทำให้ติดที่นอนคนที่ติดที่นอนไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าไปนอนที่อื่นไม่เหมือนที่นอนที่เคยมานอนมาก่อนเลยติดท่านบอกว่าเนี่ยให้ดูอันนี้คือศินอุโบสถถึงเขาจากไปแล้วเราจะต้องทิ้งทั้งหมดที่นอนดีขนาดไหนก็ดีเถอะ พอเอาเข้าจริงๆเขานอนให้นอนที่แคบๆแต่นั่นเองครั้งสุดท้ายเราต้องคิดถึงจุดนั้นด้วยแต่ทีนี้คนคนนั้นโยมคนนั้นเขาก็รักษาสิท5ห้ารักษาสิท8ปจากนั้นแต่ทำบรรจารผมมีความสุขทางด้านจิตใจพอ ร, รักษาสิทธิ์แล้วจะทำยังไงผมจะได้จะได้บุญมากกว่านี้อีกมีความสุขมากกว่านี้อีก บวชบวชบวชเป็นพระตองที่ได้เขาท่านก็แนะนำให้บวชเป็นพระพอมาก็บวชเพราะเชื่ออาจารย์เพราะมันมีความสุขขึ้นมาเรื่อยใช่บวชพอบวชเสร็จแล้วอาจารย์อุปชาก็สอนกรรมฐานห้าให้เกษาผมโลมาผลนาคาเลบตันตาฟันตะโจหนังให้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้นะ ร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราให้เห็นเป็นอสุภะปฏิกูลอีกสักวันหนึ่งจะต้องแก่เท่าชราแล้วก็มรณะตายในที่สุดก็ฟังศึกษาอยากนั้นก็ไปหาพระอาจารย์เลยพระอาจารย์สอนวินัยเลสอนเรื่องศีลและวินัย เ, เมื่อปวดเข้ามาแล้วอาจารย์สอนวินัยปวดเมื่อปวดเขาแล้วต้องสํารวมในวินัยนะ อนุสาสแปดอย่างกิจที่ควรทำสีอ่อย่างกิจที่ไม่ควรทำอีกสี่อย่างคือกิจที่ควรทำและกิจที่ไม่ควรทำอันนี้ว่าอนุสาสแปดอย่างนิสัยสี่กิจที่ควรทอาอกรณอ า, กร ณ, ากรณยะกิจสี่กิจที่ไม่ควรทำคือโทษประหารมีอยู่สี่จากนั้นปีกจ้อยออกไปอีกคือสิง สังอาบัตสังคาทเทศเส็ดสามอนิยศสองนิสกียปาจิตตีส0ิบปลาจิตตีเก้าสิบสองงไล่ไปเลยจนถึงสองรอยี่สิบเจ็ดพอพระใหม่ได้ยินนะโอ้โหตตาตาตายเกว่าจะได้บุญจะให้มีความสุขแต่ที่ไหนได้จะมารักษาศีลเหล่านี้นะทั้งสองร้อยี่สิบเจ็ดที่อาจารย์สอนเราจะ ร, รักษาได้ยังไงเออ แบบว่ากระตุกกระดิกไม่ได้เลยแหอะถ้าอย่างนั้นเราจะหาความสุขได้ยังไงถ้าถ้ารักษาศีลมากขนาดนี้โอ้ถ้าเราผิดศีลล่ะเ อ, อผิดศีลไปกินข้าวคนอื่นเขาก็ตกนรกเสียเลยบาปเสียเลยเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลไม่คุ้มแล้วไปกินข้าวคนอื่นเขาไปฉันบิณฑบาตอาหารคนอื่นเขาโอ้ไม่ได้ไม่ได้ศึกสิติกว่าเออเราควรจะไป หากินทำปฏิบัตออิอยู่กินไปแลรร้รักษาสีนุโพสดรักษาสีห์5เนี่ยจังชั่วายใจกว่าถ้ารักษาอย่างนี้ไม่ไหวถ้าเรารักษาได้คนนี้แต่นี่มันจะรักษาไม่ได้แต่สิแต่ขนาด อ, อ, อาจารย์โพเทฟังก็ยังจาไม่ได้ตั้ง200กว่าสิกขาบทเขาก็บอกกับอาจารย์เดียวนั้นเลยบอกว่าท่านอาจารย์ครับผมองอยู่ไม่ได้นะ ผมคงรักษาศีลให้ครบไม่ได้ซึ่ง227ข้อเนี่ยผมจะขอศึกถ้าผมรักษาไม่ได้เดี๋ยวผมจะเป็นบาปอีกเพราะรักษาศีลไม่ได้ไปทานอาหารไปฉันอาหารของชาวบ้านเขาการรักษาศีลไม่บริสุทธิ์อีก <c oughs> อาจารย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงเอจะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้และจะทำยังไงถ้าหากว่าต่อไปภายภาคหน้า ถ้าบวชเข้ามาแล้วจะพูดอย่างพระองค์นี้อีกแล้วก็ซึกอีกแล้วองค์บวชบวชอีกต่อไปอีกแล้วก็มีคนกล่าวอย่างนี้อีกก็จับซึกก็ซึกอีกแล้วจะทํำยังไงฮะมันไม่ใช่หน้าที่ของเรา <Scott> เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติวิัยเราต้องไปพาพระองค์นี้ไปกล่าวพระพุทธเจ้าแต่พระอาจารย์กับพระอุปชาเนี่ยกับพระอาจารย์กับพาพระองค์นี้ไปกล่าวพระพุทธเจ้า พอกราบเสร็จแล้วพระ อ, อ, อุปช่าพระอาจารย์ก็เลยลายงานกับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข่าพระองค์นี้บวชเข้ามาแล้วกับผมเองก็สอนรำกรรมฐานให้และก็อั น, นี้อาจารย์ก็สอนวินัยอย่างที่ตามที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ให้ภิกษุเรียนรู้เรื่องวิ น, นัยแต่ว่าพอสอนเสร็จแล้วเขาล้าถอยเขาว่าเขารักษาไม่ได้ มันมากเกินไปเออไม่รู้จะรักษายัางไงขนาดพูดให้ฟังก็ยังจําไม่ได้แล้วเราไปทําผิดวินยัยเราจะทํำยังไงแต่าทางอาจารย์พระองค์บอกว่าอืมใช่ไหม เ, เธอดิว่ามันมากใช่ไหมลืงวินัยมันมากใช่ไหมพระเจ้าข่ามันมากกับผมจึรักษาไม่ได้ถ้ารักษาอันเดียวเราได้ไหมพระองค์บอกว่าถ้ารักษาอันเดียว ถึงจะมากถึงจะยากขนาดไหนข้าพระองค์ก็รักษาได้เพราะอันเดียวถ้ามันยากก็รักษาได้เป็นถ้าเป็นอันเดียวเออเอาทจอย่างนั้นไม่ต้องรักษาอย่างอื่นนะให้เธอรักษาใจสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปคิดมันให้หยูกับกรรมฐานให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เนี่แหละไม่ต้องคิดไปทางอื่น รักษาอันเดียวตอนนั้นนะ่ะนะให้อยู่กับสมาธิอย่างเดียวได้ไหมได้ครับเนี่ยพวกเราฟังดูสิว่าพระพุทธเจ้าฉลาดขนาดไหนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดทีเดีย อ, อดีและชั่วพอออกไปจากใจทั้งหมดถ้าว่าไม่คิดสักก่อนมันจะไปทําได้ยังไงมันจะไปพูดได้ยังไงในเมื่อคิดสักก่อนมันยังทํามันยังพูดออกไป มันพูดออกไปก็ผิดพินัยถ้าพวกคิดชั่ว้าก่อนคิดไม่ดีซะก่อนจึงทำออกไปถ้าคิดดีทำดีมันก็ต้องพูดดีมันก็ไม่จะผิดพินัยได้อย่างไรนี่แหละสรลบแล้วอย่างเท่เอออาตมาภาพได้บอกได้กล่าวว่าเรื่องทั้งหลายในหลักธรรมคำสอนของพุทธะเนี่ยเออถ้าจนจ่อลงมาออกไปจากใจทั้งหมด เพราะนั้นหนึ่งใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพุทธะทายว่าเลือกทานเลือกทานก็คือการอยู่ด้วยกันการอยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นพักเป็นพวกอย่างพวกเราอยู่เป็นกลุ่มอย่างนี้แหละมันก็ต้องมีการเสียสละต่อกันมีความเอือ้อเฟือ้อเอือ้ออารีต่อกันมีการให้อภัยอภัยทานวิทยาทานธรรมทาน อาภิษฐานต้องมีฐานต้องอยู่ด้วยกันจึงจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุกไา้เรื่องรักษาศีลก็คือรักษากายวายใให้เรียบร้อยอย่าให้มีโทษการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎกติกาเราควรทำยังไงอย่างไรงไเวลาเท่าไหร่พออยู่ด้วยกันมากกฎกติกาก็ยิ่งเข้มงวดยิ่งมากถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีไม่มีกฎกติกา จะร้องรำทำเพลงจะตะโกนอยู่ทั้งวีทั้งวันก็นได้เ อ, อราะอะไรเพราะอยู่คนเดียวจะว่ายังไงก็จะได้ใครก็ได้จะทำยังไงเพราะอยู่คนเดียวถ้าอยู่สองคนึ้นไปต้องระวังเพราะอะไรเพราะอยู่ด้วยกันสอถ้าสามสี่คนขึ้นมาก็ต้องระวังมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละเรื่องศิ่คือสำรวมกายวายจะให้เรียบร้อยอย่าให้มีโทษในการอยู่ด้วยกันนี่แหละจึงมีศิ่งห้าขึ้นมา ศีล5้าของพระพุทธศาสนาคือศีลคุ้มครองโลกทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นถูกถึงยังไม่มีกฎหมายถ้ามีศีลห้าแล้วโลกทั้งโลกก็อยู่ด้วยความสงบไงไรเพราะศีลคุ้มครองเพราะว่ากฎหมายทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากศีลศีลนี่นเป็นพื้นเป็นพื้นฐานเอ่อเป็นต้นเป็นต้นเรื่องของเรื่องทั้งหลายทั้งปวง เรายกตัวอย่างให้ฟังเทีเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติสิ่ข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันถ้าคนคิดฆ่ากันแล้วจะหาความสงบสุขได้ไหมไม่ได้ถ้าคนคิดฆ่ากันต้องรบกวงระวังกันอยู่ตลอด เ, ออเตรียมจัดอาวุธ เ, เพื่อรักษาตนเองนี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันท่าว่าไม่คิดฆ่ากันนะพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสีถวาอย่าฆ่ากันนะ ถ้าเราไปฆ่าเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาฆ่าเราเราก็เดือดร้อนถ้าเราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเขาเป็นยังไงเขามีความรู้สึกยังไงถ้าเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเราที่เรารักเคารพเรามีความรู้สึกยังไงเสียใจใช่ไหมใช่เสียใจเขาก็คงเสียใจเราก็เสียใจแน่เพราะเราเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเรา นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันข้อที่สองอธิ น, นาทานอย่าคิดขโมยกันถ้าเราไปขโมยของของเขาขอมาขโมยของเราเราก็เสียใจทั้งคู่เพราะ เ, เรารักอยากของมาขโมยพ่อแม่ของเราไปเรียกค่าไทยอย่างนี้เราเสียใจไหมเสียใจถ้าเราไปทำให้บกับคนอื่นเขา ที่เขารักสิ่งของที่เขารักสงวนห่วงแหนเขาก็ต้องเสียใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าการขโมยกันไม่เป็นผลดีจึงบัญญัติสินข้อที่สองอย่าขโมยกันนะการอยู่ด้วยกันข้อที่สามกามีสมิสสาจาราเว ร, รมนีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาเมื่อเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาล่วงล้ำเรา เราก็าเสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างมีวงสาขนายาตมีสามีภรรยาให้เคารพสิทธิ์กันนะการอยู่ด้วยกันจึงบัญญัติสินข้อที่สองที่ว่ากาเมสุมิสาจารา ว, วรามาเให้หดเว้นข้อที่ข้อที่สี่โมกสาวาทาเวรามาเนอย่าไปโกหกอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขานะ ถ้าเราไปโกหกต้มตุลหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจยในเมื่อเขามาต้มตุลหลอกลวงเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าเราไปโกหกเขาต้มตุลเขาหลอกลวงเขาไปย้อมตะกั่วให้เป็นสีทองแล้วไปขายให้เขาแต่ที่แท้มันเป็นตะกั่วไม่ใช่ทองนะเราไปเขียนเช็คกระดาษไปหนึให้เขาไปเช็นเช็คให้เขาแต่ที่แท้เงินไม่มี ในธนาคารมีแต่เช็คให้เขาเช็คเด้งเขาทำให้กับเราเราไปทำให้กับเขาเขาก็เสียใจเขามาทำให้กับเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกั น, นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศินข้อที่สี่ว่ามุสาวาทาเวรมณนีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาแต่ในพุทธภาสีคำหนึ่งหลวงพ่อจะยกขึ้นมาพระพระธองค์ยังสมทับอีกว่า คนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆอยากไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้ใครพวกเราสังเกตดูจะเป็นใครก็ตามในแวดวงของเราที่เราได้คบค้าสมาคมถ้าพูดโกหกตแอแหลหาความสัตย์จริงไม่ได้ทั้งที่รู้ๆเหตุเห็นให้สังเกตได้เลยว่าคนนั้นจะากไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีให้ระวังเอาไว้ อันนี้คือศีลข้อที่สข้อที่หสุราเมรยะมัชฌะประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาสุราคือเหล้าเมลัยคือเบียร์ละคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนโคเคนมีมากมายทุกวันนี้แต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามแต่เมื่อดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติแปลว่าสิ่งนั้นสงข้อข้อใน อของที่เหมือนเหมาเมื่อคนดื่มฤาษีผู้ไปแล้วขาดจติตเมื่อคนขาดจติตแล้วทําความชั่วความเสียหายในทุกอย่างศินข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่กระจุยกระจายเพราะอะไรเพราะคนขาดจติตเมื่อคนขาดจติตแล้วจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะรั่วระลุะลในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ จะโกหกต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้เพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นศินของพระพุทธเจ้าศินข้อที่ห้าเราอย่าไปมองข้ามว่าการดื่มโคไปเป็นปากของเราเป็นเงินของเราเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแต่เมื่อดือ่มโคไปแล้วเมื่อตัวเองขาดสติแล้วนัว่นแหละทีนี่มันคนเป็นบ้าแล้วน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้าหลวงพ่อได้เปรี่ยนเทียบ ว, ว่าเป็นศินหลังคาบ้านถ้าหากว่าท่าน บ้านหลังใดก็ตามถ้าไม่มีหลังคาบ้านมันมีหลังคาผลตกแดดออกสิ่งของในบ้านเสียหายหมดนี้ก็เหมือนกันคนคนนั้นทักหาทิติเสียอย่างเดียวถึงจะมียศถาบรรดาศัก์สูงส่งขนาดไหนมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะถ้าหาว่าคนนั้นเป็นบ้าเสียอย่างเดียวแปลว่าคนคนนั้นหมดคุณค่าหมดคุณภาพหมดคุณค่าหมดสงาาส่าราศีเพราะฉะนั้นพวกเราให้คิดเอาไว้ พราะนั้นจะดื่มแก้วเข้าไปจะดื่มเหล้าเข้าไปยกแก้วเหล้าขึ้นไปให้ระ ล, ลึกถึงคำนี้คำที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟัง เ, เราอยากจะเป็นอย่างนั้นใหมเ่เราจะหมดเร า, าจะหมดสง่าราศีไหมเราจะจะเป็นบ้าไหมถ้าเป็นบ้าแล้วมันดีไหมให้ถามตัวเองเพราะนั้นให้พวกเราทางรดได้ดีที่สุดนะแต่บางคนก็หลวงพ่อก็เคยพูด พอลูกศิษย์หลวงพ่อก็มีมากลูกหลานเข้ามาบวชมีหลายระดับเข้ามาบวชเสร็จแล้วหลวงพ่อก็พูดเดี๋ลูกหลานเอ้ยถ้าเสื่ออกไปก็หลวงพ่อขอปินทบาทนะเรื่องสุราเนี่นะเพราะดื่มเข้าไปแล้วปัญหาขาดจติตแล้วบางทีทําให้เสียการเสียงานตกการตกงานทําให้ผู้ใหญ่ตำหนิได้นะทําให้เขาไล่ออกจากการจากงานได้นะพราะมันขนขาดจติตอยู่กับครอบครัวก็ไม่ดี ทําให้ภรรยาพ่อแม่เป็นห่วงเราถ้าหยุดได้ก็ดีลูกหลานแต่บางคนเขาก็อิดอิดอดออดต่อว่าให้หลวงพ่อมากันถ้าหากว่าผมไม่ดื่มมันไม่มีหมู่มีเพื่อนครับหลวงพ่อพอผมจึงได้ดื่มเข้าไปเพื่อหมู่พวกเพื่อนได้มีหมู่พวกเพื่อนหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอ้ย ลูกหลานอันนั้นคิดผิดไปแล้วควรจะคิดใหม่คิดใหม่ยังไงเนี่ยอย่างหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยดื่มสุราเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วพูดอย่างนั้นได้เป็นพระอยู่ขนาดนี้แหละวันเนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนวันเกิดของหลวงพ่อให้มาดูนะอแล้วคนเข้ามาในวันเกิดของหลวงพ่อเนี่ยโอ้หลายพันอยู่นะอ กับคนที่ดื่มชุรานนะกินหัวชุลาเออหัวลาน้ำนะมานับแข่งกันดีว่าใครมีหมูมีเพื่อนมากกว่ากันหลวง พ, อพ่อพูดอย่างนั้นนด่ก็เหมือนกันเห็นไหมหลวงปู่ของเราหลวงปู่ใหญ่ของเร า, เเราเท่านก็ไม่ได้ดื่มเราใช่ไหมทำไหมลูกศิษย์นับดูสิวันนี้นะเท่าไหร่กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นไอคนที่ดื่มชุราเก่ง ดีมามๆเมานับใส่กันดูสิว่าใครมากกว่ากันหมู่พวกเพื่อนเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดแต่ข้อสําคัญให้ตนเป็นตนเองเป็นคนดีเท่านั้นนะถ้าเป็นคนดีเท่านั้นนะใครๆก็อยากจะเป็นพักเป็นพวกเป็นหมู่เป็นเพื่อนอยากล้งปู่เราก็ยกย่องเชิดชูบูชาองค์ล้งปู่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละเรื่องศีลที่ อาตมาภาพเตพูดได้กล่าวไปนี่นะขอให้พวกคณะสัตย า, ธา ญ, ญาติโยมฟังดูซิว่าศีลของพระพุทธเจ้าเป็นศีลคุ้มครองโลกจริงๆทำทำให้โลกทั้งโลกพร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราให้อย่ามองข้าวอยู่ในศีลสําหรับศีลห้าเป็นศีลของคารวะอยู่แล้วไม่เหลือวิสัย ถา้าพวกเรารักษาเนี่ยจะไม่เดือดร้อนในการเป็นอยู่เพราะสำรวมกายวายจาก้องเราให้เป็นผู้มีศีลและมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขถึงจะไม่ได้ตลอดไปก็ควรจะสำนึกไวบ้บาอือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันว่างๆเราจะรักษาศีลห้าหรือวันพระเราจะรักษาศีลห้าอย่างนี้เป็นต้นนะ แต่ไม่ควรจะปล่อยปะตะเลยจนเกินไปนะแต่ถ้าวารักษาไม่ได้ตลอดไปก็ให้รักษาเป็นวันเกิดของเราหรือวันเกิดของพ่อของแม่หรือว่าวันเกิดคนที่เรารักเออแล้วก็รักษาศีนวันนั้นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนไม่ให้เราลุ่มหลงจนเกินไปอันนี้แหละรักษาศีนเออแต่ลูกพ่อ ที่แรกจะไม่พูดเรื่องทานเรื่องศีลจะเน้นเรื่องกิตภาวนาแต่เรื่องกิตภาวนาอย่างที่หลวงพ่อเองได้พูดเบื้องต้นว่าจะแน่เดวจะแน่เดวตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นอย่างที่หลวงปู่ของเราท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวลูกหลานว่าพลังจิตตานุภาพเนี่ยท่านก็เอาแนวแถวหลวงปู่มั่นแต่ตามไม่จริง ถ้าไปเน้นแนวแถวสายหลวงปู่มั่นจะไม่แคบเกินไปหรอสายอื่นเขาก็มีเหมือนกับตัเองไม่ให้ใครไม่ให้ใครมองทางอื่นให้มานับถือให้มาเลื่อมใสให้มาศึกษาสายหลวงปู่มั่นเท่านั้นเพราะว่าพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้า 84% ดหมพันพระธรรมขันแล้วก็ทําจะทําให้จิตใจสงบเป็นสมาธิก็มีกรรมฐานทักสีิบ ที่พระธองค์บัญญัติไว้หรือมากกว่านั้นแต่ถ้าเราถ้าเราได้ศึกษาแต่ทําไมมาถึงทุกนี้ครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อกําลังกล่าวกําลังแสดงอยู่เนี่ยทําไมจึงให้มาปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มันเท่านั้นจะไม่ปิดหูปิดตาแต่ทำไมไม่ทําให้แคบเกินไปเหรอให้เขามองแต่แนวแถวของตัวเองถ้าเราจะคิดในมุมนี้ ก็มีส่วนแต่ตามไม่จริงพ่ะครูบาอาจารย์อย่างลูพ่อและลูกปู่วิริยังของเราลูกปู่ใหญ่ของเราท่านก็ศึกษามาแนวแถวสายลุงปู่มัน่นท่านจะให้ไปศึกษาสายอื่นจะไปศึกษาได้ยังไงเหมือนกับพวกเราศึกษามาทางคณิจะรศึกษามาทางเกษตร เ, เราจะไปให้สอนวิ ช, ชาทหาร ก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันถ้าก็สอนวิชาเกษตรถ้าเราเรียนวิชาทางทหารมาเราก็ต้องสอนวิชาทหารแล้วจะไปสอนวิชาเกษตรมันก็ไม่ได้เรื่องอีกเออมันมีลักมากหลากหลายทั้งวิชาเกษตรวิชากฎหมายวิชาแต่ละวิชาในโลกนี้มีมากเขาสอนกันวิทย์คณิตร์อังกฤษวิศวะไม่รู้กี่แขนงหมอหมอก็ไม่รู้กี่ มีกี่แขนงอีกเหมือนกันเพราะนั้นใครชำนาญทางไหนเออเมื่อสอนวิชาไปแล้วได้รับเงินเดือนนั่นแหละผลตอบแทนเออใครได้มากกว่ากันเรื่องดีกว่ากันจุดนั้นนี้ก็เหมือนกันแต่หลวงปู่มัน่นยกตัวอย่างว่าหลวงปู่มั่นสอนวิชา ว, วิชาทำนากันแล้วกัน ล้มปู่ปูมั่นสอนสอนลูกหลานของท่านสอนวิชาทำนาแต่ทำอย่างนี้นะทำนาเอ่อเต้นี้ท่านสอนไปแล้วก็เออเก็บเกี่ยวเลี้ยงตนเองได้และก็ขายข้าวไร่ตัางหาถ้าขยันนะเออเป็นเศรษฐีได้เหมือนกันนะทำนาเนะี่ยนี่แหละคือวิชาทุกวิชาพร้อมที่จะได้เงินทั้งนั้นคือเงินนะนะ่ะคือเป็นสิ่งที่ตอบแทน คือเหตุกนะ็คือการกระทำแต่ผลที่ได้มาก็คือเงินอันนี้คือผลคือมาก็คือผลแห่งจิตที่ได้รับความสงบรู้ว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนั้นคือเป็นผลตอบแทนแต่ถึงยังไงการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแต่ละสแสดงแต่ละวิชาแต่ละครูบาอาจารย์มีมากมายในยอมรับได้ว่า บางทีก็เพ่งตรงแก้วบงังยกหนอพองหนอบังกํ า, าหนดจิตไม่ให้ดูการเคลื่อนไหวของใจของตนเองบ้างแล้วก็ยกไม้ยกมือเออขึ้นมาให้มีเวทนาให้มีสติอยู่ในการออยกมือบ้างเหล่านี้เป็นต้นปีมากมายแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนว่าให้ภาวนาแต่ตามให้จริงตามแนวแถวของพุทธะเ พ, พราะพระเจ้าที่ท่าน ได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพลนพระองค์ก่อนกหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพลนนั้นคือมีสติสัมปชัญญะ จากนั้นพระไทยใจของของพระ อ, องค์รวมสงบพอรวมสงบเกิดเป็นหนึ่งเกิดญาณรัตนะเกิดฌานมีความรู้พิเศษขึ้นม า, ยาเาายาวบุกเพนิวาสารุสติญาณลึกชาติขนหลังได้อันนี้คือของพุทธะพอถึงเที่ยงคืนจุตูตปะปะตาตญาการดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกแต่ละดวงวิญญาณ ทำไมไม่เหมือนกันคนเกิดมาแล้วทำไมไม่เหมือนกันคนเฉเลียวฉลาดต่างกันขี้ร้ายขิเล่ต่างกันบ้าไบหูหวกตาบอดต่างกันแต่ทำไมเกิดปันเป็นมนุษย์แล้วไม่เหมือนกันเพราะกรรมกรรมคือการกระทําคิดไม่เหมือนกันคําไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันในเมื่อคิดทําพูดไม่เหมือนกันกรรมคือการกระทําจุดนั้นะจะมาให้ผล แก่สรพสัตทั้งหลายจึงแตกแตกต่างกันกรรมนั่นแหละจึงเป็นผู้จําแนกให้สัพสัตวทั้งหลายเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสให้ในโอวาทปาติโมกว่าอากตังทุ ก, กตังเส้ยโยปัจชาตปติทุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผล ตนเองนั่นแหละจะเดิดร้อนเมื่อภายหลับอันนี้ให้พวกเราฝักเอาไว้นี่แหละหลักของพระศาสนาท่านเน้นหนักเรื่องของกรรมเออไม่ใช่ว่าเรื่องเออโชคชาออาสีไม่ใช่นะเออไม่ใช่วันขึ้นวันภูวันจมอ่าไม่ใช่เป็นวันเป็นเดือน ท่านเน้นเรื่องการกระทำกใครทำดีทำชั่วนั่นแหละเมื่อทำดีทำชั่วนะ่กรรมดีกรรมชั่วจะให้ผลในการกระทำนั้นพอจวนสว่างพระ อ, องค์ก็ได้มองดูพระ อ, องค์อีกได้ตัดสรุปพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระ อ, องค์มองดูแล้วว่าใจตรงนี้มาจากไหนมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีประมาณ ลมลุกโคตรลานสูงสู ง, สงต่ําๆรุ่มรุ ม, ด, มดอนดอนมาจากไหนพระ อ, องค์ก็ได้มองมองพระ อ, องค์ท่านก็บอกมาจากอวิชชาคือตัวไม่รู้ตัวอวิชชาอวิชชาปัจจะยาสร้างขาราสร้างข้าราปัจจะยาวิญญาณนะที่ว่าติดจะสมุบาจนถึงโสกภริเทวทุกขโทมนัสสุพ่ให้ร้องให้พิรอยรําพันออกมาจากตัวไม่รู้คือตัว ตัวโมหะคือตัวอวิชชาจากนั้นพระ อ, องค์กดใช้ตปรธรรมคือสิลห์สมาธิปัญญาเข้าไปกันกลองไตรตรองจากนั้นก็ชำระพระทัยใจของพระ อ, องค์บริสุทธิ์โจนสวะวันเดือนหกเพนจึงได้ตัดสรุปพระอนุตรักสัมมาสัมโพธิญาสรุปแล้วในวันเดือนหกเพนนั้นพระพระ อ, องค์ได้ตัดสรุปธรรมสามอย่างตอนหัวค่ปุกเพนิวะ สานุตจติยาระลึกชาติพ้นหลังได้อันนี้พวกเรากดให้จํานึกไว้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วไม่สูญหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใครว่าตายแล้วสูญอันนั้นไม่ใช่หลักธรรมคาสอนของพุทธาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกมีอดี ต, ตชาติชาติที่แล้วมาจากไหนๆพวกเรารู้ทั้งหมด นี่หรอกปุกเพนิวาสารุสติญาณพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตยานการเกิดการตายของสัพสัตทั้งหลายเป็นไปด้วยกรรมแล้วก็จจนสว่างอาสาวะยายาย น, นี่แหละอันนี้รือดับคำสอนของพุทธะแต่นี่ของหลวงปู่เสาหลกหูมั่นที่ได้ศึกษานำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามานำมาประยุกต์ใช้ในบรรดาที่ท่านนามาใช้แต่ อาจจะก่อนท้านนี้ก็ได้หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านอาจจะได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์องค์ก่อนแต่ท่านเราไม่ได้เขียนประวัติเอาไว้แต่ท่านคงต้องมีครูบาอาจารย์เพราะว่ามาถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแหนังสือหรือตัวหนังสือตัวอักขราเนี่ยจะเริญนรุงเรืองมีมหาปรเรียนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรท่านก็เขียนเป็นตํำรับตาราบอกกล่าว เป็นตัวหนังสือขึ้นมาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างนี้นะแต่ก่อนหน้านี้อยาเป็นองค์ไหนที่สอนหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็ไม่มีใครที่จะกล้าถามองค์ท่านอีกเหมือนกันแต่ที่ยังไงก็ตามเอาเถิดในเมื่อพวกเราได้นํามาประพฤติปฏิบัติแล้วท่านก็ยืนยันยืนยันว่าเห็นได้ผลถ้าว่าเราพฤติกรรมหายหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรธรรมดาน มันจะเผลอได้ง่ายมันจะหลงได้ง่ายหลงลืมได้ง่ายหลงเงื่อนได้ง่ายเพราะนั้นให้บริกรรมสามทับกับพุทธโธด้วยนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธถ้าว่าเรามันยังเผลอได้อยู่ให้พุทธโธให้ทีพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธพุทโธเราสามทับอยู่ตรงตัวตรงที่ตรงที่หัวตัวนึกคิดนั่นแะอย่าไปให้มันไป เพล่เลไปที่อื่นให้อยู่กับพุทโธอยู่ตลอดอันนี้ก็คือครูบายทานที่ท่านแนะนำบอกกล่าวอันนี้คือสมถะการทำสมถะคือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งต้องบังคับนะอย่าไปปล่อยให้มันธรรมดาไม่ได้ต้องบังคับ เ, เหมือนกับเด็กเด็กมันไม่รู้อันไหนควรไม่ควรพ่อแมออ่ต้องบังคับ ให้เรียนหนังสือบังคับให้ไปเรียนหนังสือถ้าพอบังคับแล้วรู้ผลแล้วได้ผลแล้วเขารู้แล้วอันไหนมันเกิดประโยชน์เดี๋ยวเขาขยันเองเนี่ใหม่ๆเราต้องบังคับนี้ก็เหมือนกันเรื่องทาสมาธิถ้าอยากจะให้ทาเฉลยมันคองอยากเพราะนั้นให้พวกเราใหม่ๆล้วต้องบังคับนั่งให้นาน แล้วก็บังคับให้อยู่กับกรรมฐานหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุโทโธพุทธโแต่หลวงพ่อเองเคยมาแนะนําที่นี่แล้วก็พวกเราทัดทายาติโลงบางท่านบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้มาฟังในข่าวนั้นแต่หลวงพ่อขอแนะนําอีกว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยได้ได้ผลน ะ, ะวิธีการโพนาเราอยากจะรู้ว่าใจของเรามันเผลออย่างไรมันออกเร็วขนาดไหน มันเผื่อเวลาอย่างไรเนี่นแหละให้ลวงพ่อเขาบอกให้กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าให้นับนะเพราะเราเคยเคยชินกับการนับตัวเลขอยู่แล้วแต่ละวีร่วันเกิดมาแต่ละวันเรา้องตองนับเกินนับเงินในกระเป๋าเออย่างเหลือเท่าไหร่ถึงจะไม่นับก็คิดไว้ในใจเออเป็นเท่าไหร่นี่แหละให้พวกเรานับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามสี่ ถ้าบวกไปเลยจนถึงร้อยถ้าถึงร้อยไม่เผลอไปว่าเราสติของเราดีนะแต่บอนรวยมากมันจะไม่จะเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเผลอเอพูดจากนั้นได้เพราะนั้นเวลานับบางทีไม่ถึงยี่สิบย้อนไปซ้ำไปมันเผลอคําว่าเผลอคํานี้นคือเผล่ อ, อยังไงให้พวกเรานับหูหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับหนึ่งคือเป็นเลขคี่หายใจออกเป็นเลขคู่ ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่แต่มันนับนับไปถึงยี่สิบมันจะเข้าคู่ขี้เนี่ยหายใจเข้าไปเลขคู่หายใจออกไปเลขขี้เอาเผลอแล้วเนี่ยเอานับหนึ่งอย่าไปนับต่อไปอีกให้กลับมานับหนึ่งใหม่อีกเราจะเรียนรู้ว่ามันเผลออย่างไงแต่ละครั้งนั่นแหละจากนั้นเราก็ตั้งใจให้เข้มแข็งขึ้นไปอีกเออ ถ้าว่าเราเนับไปไปไปเท่าไหร่เผลอเอาเผลอเอ า, เ อ, เ อ, าอย่าไปชล่าใจนะพวกเราท่านทั้งหลายนะนี่แหละอันเสเมอเรียกว่า ข, ขาดสติกำลังเข้ามาเยือนเราเพราะนั้นเราต้องพยายามทำให้มีสติสัมปชัญญะบังคับให้มีสติอยู่กับตัวเองหายใจเข้าบริกรรมหนึ่งหายใจออก 2. 3. 4. สามสี่นับถึงร้อยสี่หหกครั้งถึงส0บครั้ง แล้วจังหวะลยกรรมพุทธโธต่อหายใจเข้าพุทหายใจออกพุทมันจะจิตใจจะเข้าสู่มันจะมีสติสัมปชัญญะเข้ามีสติขึ้นมาอยู่กับตัวเองได้จากนั้นก่อนนั้นบังคับประครับประคองผลในสุดใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้แล้วเป็นการสงบของจิตใจบางคนในยุคนี้สมัยนี้ ก็ท่านบอกว่ า, วาพอจงข้นไปแล้วก็เป็นฌานปฐมฌานตุติฌชชานตาติฌานจะตุทัฌา น, านแต่ในสายของหลวงปู่มั่นท่านไม่เคยสอนเรื่องฌานนะคณับาสัทธายาติโยให้ฟังเอาไว้ฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าหาว่ามีจิตใจไม่เป็นสมาธิจะไม่เกิดฌาน เพราะนั้นฌานเป็นผลร้อยเป็นผลพลอยได้จากสมาธิเพราะนั้นต้องทําสมาธิจิตใจให้นิ่งจิตใจให้สงบเราไม่ต้องไปเรียงลําดับ เ, เรื่องฌานให้เราภาวนาพุทธโธให้ดูให้สังเกต ด, ดูตัวเองหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเพราะจิตใจจิตใจเราไม่เผลอไปทางอื่นอันดับแรก เ, เมื่อเมื่อจิตใจของเราบังคับให้อยู่กับตัวเองมันจะมีความรู้สึกเย็นว่า ในจิตใจลึกๆเพียงแค่นี้เราก็จําไม่ลืมว่าูจิตใจของเราผิดปกติในช่วงระยะหนึ่งแต่เป็นระยะที่สั้นๆแต่จิตใจของเราเย็นมีความสุขมากในขณะที่ใจของเราบริกรรมพุทธโธเราเผลอไปหรือเปล่าเราหลับไปหรือเปล่าในช่วงนั้นทําไมใจของเราจึงมีความสุขผิดปกตินี่ยอันนี้คัน ในหลักคำคำสอนของครูบาอาจารย์นว่าอันนี้แหละคือคณิกะสมาธิใจกำลังเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วเริ่มเข้าไปคือสงบระยะสั้นแล้วว่าคณิกะเปี่ยงชั่วครู่ชั่วขณะอันนี้เราคณิกะสมาธิแต่เมื่อเราพยายามถึงจะรวมแต่เราจะไปตามอีกนะอยากให้มันเป็นอีกอ ย, อย่าทำอย่างนั้นให้เราบริกรรมภาวนาไปเลยให้ตั้งต้นใหม่ ให้ดูใจของเราไปเรื่อยๆดูให้มีสติสัมปชัญญะให้เข้มแข็งขึ้นจากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบแต่สงบข่าวนี้เป็นอุปจารสมาธิอุปจาระแปลว่ายัางไปอยู่จิตใจของเราไม่สงบนิ่งแต่เรามีความรู้สึกนึกคิดแต่ว่าใจของเรามีสติมีสติควบคุมใจเหมือนกับสัตว์สาาสิงหวัวควายมันมีเชือกเชือกคลามอยู่ เสื้อมัดไม่ให็ห น, นี้ออกจากหลักมันจะไปที่ไหนก็ อ, อยู่ในหลักนี้ก็เหมือนกันสติของเราควบกรมจิตดวงนั้นใจของเราไม่หิวโหวยไม่ออกเตลิดเปิดเปิม เ, เพราะว่าใจของเราคิดเรื่องอะไรอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดมองตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดออจะให้ทํำยังไงจะให้พิจารณาอะไรก็ได้เพราว่าจิตที่เป็นปุปจารสมาธิแต่ได้ยินเสียงรับรู้ได้แต่จิตใจไม่ ไม่ออกนอกลูก่นอกทางจิตใจจู่เทียว่าจิตใจจู่เข้าใจแต่มันยังไม่มันไม่สงบนะไม่มันนิ่งแต่ท่านก็ว่าจิตใจสงบแล้วแหะแต่ลบพ่อเองอาตมาภาพเองบอกว่าใจจู่ให้แค่ว่าใจไม่หิวไม่โหยใจไม่ออกนอกลูก่นอกทาง น, นี่เรีย ว, ว่าจิตเพจที่เป็นปัจจาระสมาธิแต่จิตใจที่เป็นอัปปนาสมาธิมันรวมนิ่งลงไปอีกทีรวมสงบลงไปอีกเมื่อรวมสงบลงนิ่งลงไปแล้ว จิตเป็นอันใดสติ เ, สเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นสติครับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่รับรู้ทางกายแปลว่าไม่รับรู้ทางกายใจใจไม่รับรู้ทางกายใจเป็นคือใจกายก็คือกายใน่วงที่มันสงบอย่างนั้นมันเน่งเออเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่จากนั้นมันก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมามารับรู้ทางกายก็ได้ยินเสียง แล้วก็เรานั่งอยู่ณสถานที่ไหนมีสติรู้ว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนเออที่ไหนอันนี้เรียกว่าขึ้นเข้ามาสู่อุปจารสมาธิแต่ในขณะที่เป็นอัปปนาสมาธินี่จิตใจที่สงบนิ่งลองอไปนั่นแหละความสงบจุดนั้นได้ริ้มรสว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกใผู้ใดท่านผู้ใดถ้าจิตใจ เข้าสู่ความสงบจิตใจที่เป็นอัปปนาสมาธิถึงจุดนั้น เ, เราเชื่อมั่นในตนเองแล้วไม่ต้องถามใครอีกว่าถ้าถามคนอื่นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจิตสงบใช่ไหมเพียงแต่ถามาถามหลอกเขาเฉยๆแต่ในใจของเรารู้แล้วว่าอันนี้คือจิตใจจิตใจได้รับความสงบจิตใจสงบที่จิตใจที่เป็นอัปปนาสมาธินี่แหละ แต่มันอยู่ได้นานาบางคนก็อยู่ได้นานถ้ามีพลังมากนะถ้าบางคนก็อยู่ได้น้อยไม่นานอันนี้คือว่าจิตใจที่เป็นสมาธิสมาธิมีอยู่สามขั้นเท่านี้คณิกะอุปจาระอัปปนาไม่เกินกว่านี้แต่เมื่อถึงจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งแล้วจะเดินยังไงอีกต่อไปนี่แหละอันนี้ก็คือตามแนวแถวของสายลูกปูมัน แต่เราก็ไม่เห็นหลงพ่อเองก็า ไ, ได้ฟังจากปากหรือว่าฟังจากคําพูดของหลวงปู่มัน่นแต่หลวงพ่อเองได้ยินได้เข้าไปศึกษาองค์หลวงตามหาบวชหลวงตามหาบวท่านไปศึกษากับหลวงปู่มัน่นท่านก็บอกว่ามหาการภาวนานกําหนดทํามันจิตใจมันมันไม่อยู่นะให้กําหนดพุทโธนะให้บริกรรมพุทโธนะยึดพุทโธให้แน่นนะ ลงตามหาภูวท่านก็บอกว่าแต่ก่อนหน้านี้ท่านเมื่อเรียนหนังสืออยู่ท่านครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกเก่าให้ภาวนาท่านก็ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้เอาหลักธรรมนั้นมาสอนมาปฏิบัติแต่ท่านบอกมันเผลอมันหลงมันลืมเออมันเผลอจิตใจมันออกมันออกได้ง่ายบางครั้งโอกหน้าโมโหจริงๆที่บังคับให้อยู่มันไม่อยู่ แต่พอมาโหลวงปู่มั่นอบอกว่าให้ยึดพุทธโธด้วยนะเอาพุทธโธเป็นหลักให้บริกรรมยึดพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธด้วยอย่าไปบริกรรมแต่กําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดได้ง่ายนะมันเผลอได้ง่ายสำทับพุทธโธนะล้มตามหาบัวท่านก็นยอมรับท่านบอกว่าหายเวลาก้าเดินไปบิณฑบาต หรือไปเดินจะ ก, กลมเดินที่ใดไหนก็ตามพอก้าวเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถแต่พอนั่งกําหนดลมหายใจเข้าพุธหายใจออกโถท่านบอกว่าเราจะไม่ให้เผลิงคือตั้งจิตที่ฐานไว้ในใจแล้วว่าข้าพรเจ้าจะไม่ให้เพลิงจะให้อยู่กับพุทโถบังคับให้อยู่กับพุทโถท่านมองผองานนี้เป็นงานที่หนักมากเราเคยทํางานมาอย่างหนึ่น มามากโตมากว่างานหนักแต่มาบริกรรมพุทโทบังคับจิตใจให้อยู่กับความสงบให้อยู่กับกรรมฐานหนักมากๆเลยทน่แต่ที่ยังไงก็ตามบังคับอยู่ได้สองสามวันพอวันที่สีทส่ที่สี่ที่ห้ า, ามาทีนี้จิตใจเริ่มสงบแล้วทีนี้จิตใจอยู่อยู่กับตัวเองพอจิตใจอยู่กับตัวเองเออเนี่จากนี้ไปเราจะไม่เสื่อมเราก็รู้ได้โดยตนเองอีกต่างหากท่าน จากนั้นทุกท่านก็ภาวนาพุทธพุทโธพุทโธเรื่อยๆจากนั้นท่านก็นั่งสมาธินั่งสมาธิว่าข้าพเจ้าเราจะนั่งตลอดทั้งคืนก็ได้ทั้งคืนจริงๆแล้ไม่ลุกเลยนั่งสมาธิในขณะที่เรานั่งเราจะตั้งกิจอธิฐานไปเลยบอกว่าถึงจะมันจะเบาถึงมันจะหนักจะถ่ายก็ตามจะเบาปัสสาวะก็ตามเราจะไม่ลุกโดยเด็ดขาด ทามันจะถ่ายให้มันถ่ายขี้ทะลักไปเลยพุงนี้เช้าเราจ ะ, จะล้างเอาไว้แต่สมัยเราเป็นเด็กพ่อแม่ยังล้างผ้าขี้ผ้าเยี่ยวให้เราได้แต่เราใหญ่ขนาดนี้แล้วเราล้างเองได้เอาเถอะเราจะไม่ให้มันทักไม่ให้มไม่ให้มันออกถ้าหากว่าปวดตักกับลุกไปปวดเบาก็ลุกไ ป, ป, กกกไปมันจะปวดหนักปวดเบาทั้งคืนเถอะเพราะนั้น <c oughs> ท่านบังคับ ไม่ให้จิตใจออกไปข้างนอกจากนั้นท่านก็นสงบจิตใจของท่านก็นสงบได้แต่วันไหนท่านว่าอุ ต, อ ต, อตสุาห์ปายะเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญหนักถ้าว่าวันไหนอากาศฝน ล, ลินพรํำๆอากาศเย็นๆวันนั้นจะเข้าจิตจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเหมือนกับสติของเราเหมือนกับคีมปากขมขมจับปั๊บติด นี่งมันสง บ, บได้แต่ถ้าวันไหนอากาศร้อนอนนั่งภาวนาวันนั้นสมาธิจะเข้าได้อย่างธันวาแล้วนะแต่มันเข้าแล้วก็ถอนออกมาแล้วเข้าอีกวันนั้นเหนื่อยแต่ว่าถ้าคืถ้าวันไหนคืนไหนอากาศร้อ น, อนมานั่งภาวนาเหนื่อยแต่วันไหนอากาศเย็นๆนั่งสมาธิมันมีส่วนนะนี่แหละท่านนั่งทั้งคืนได้ อันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดเรื่องสมาธิจากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็ถามว่าเป็นไงมาหาการนั่งภาวนาของท่านเอสงบดีไหมโอ้สงบดีครับผมนั่งทั้งคืนก็ได้ไม่เห็นจิตใจมันออกไปทางอื่นให้อยู่กับกรรมฐานมันเน่งอยู่ตลอดเลยเอไม่เห็บมันไม่ออกไปทางไหนเลยจิตใจมันอยู่กับตัวเองตลอดครับผมจิตใจนิ่งสงบดีมากครับผม หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเอ้ยมหาในเมื่อวันสง บ, บแล้วนำออกมาพิจารณานะเดินวิปัสนานะอันนี้ฟังเอาไว้นะอันนี้จะทายาตโย ล, ล, ลูกหลักเมื่อเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วให้เดินวิปัสนาเดินยังไงเดินวิปัสนาเท่านก็บอกกตรงตามหาปู่ว่าการเดินวิปัสนาก็เดินวิปัสสนึกให้นึกคิด เกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังบังสังเนื้อถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนก็เหมือนกับว่าเราเหมือนกับชำแหละอาจารย์ใหญ่ลักษณะอย่างนั้นแล้ว่าถอนผมไว้กองหนึ่งถอนขนไว้กองหนึ่งถอดเล็บไว้กองหนึ่งถอนฟันไว้กองหนึ่งทันหลกหนังไว้กองหนึ่งเอาเนื้อไว้กองหนึ่งเอ็นกระดูกตั ปอกไตลำไส้เอาไว้เป็นกองกองถึงสามสิบสองกองทีว่าอาการสามสิบสองของร่างกายคือแยกส่วนแบ่งส่วนออกมาเอาไว้เป็นกองกองแล้วให้ถามตนเองที่ว่าอันไหนคือเราผมเป็นเราใช่ไหมขนเป็นเราใช่ไหมเออหนังเป็นเราใช่ไหมกระดูกเป็นเราใช่ไหมตับไตลำไส้เป็นเราเป็นเราใช่ไหมให้ถามส มันไม่ใช่เราถ้ามันแยกส่วนแบ่งส่วนไปแล้วมันเป็นลำไส้มันเป็นตับเป็นปอดเป็นอะไรไปแต่มันมันอยู่มันรวมอยู่ในร่างกายมันเป็นตัวของเราเนี่ยแหละให้แยกส่วนแบ่งส่วนอย่างนี้นะแต่หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าท่านติดสมาธิมาตั้งหลายปีก่อนที่หลวงปู่มันท่านจะบอกแนะนำท่านก็บอกมันออกไปได้มันติดอยู่ในสมาธิมันมีความสุขมาก มันไม่อยากจะออกเหมือนกับคนที่เคยอยู่ในร่มทํางานอยู่ในร่มออนอนพักผ่อนอยู่ในร่มในห้องแอร์แต่ได้บังคับให้ไปออกไปทํางานตากแดดตากฝนตากทํางานตากแดดมันไปไม่ได้พอไปถูกแดดทั้งโอ้กระโดดก็มาหาร่มอีกนี้ก็เหมือนกันคนที่ติดสมาธิเมื่อจิตใจของเราได้รับความสงบพอนําไปพิจารณาเท่านั้นมันไม่สู้ได้ มันจะวิ่งเข้ามาหาสมาธิอีกอย่างเก่ามันจะหาความสงบเยี่ยงเก่าเพราะจิตใจที่มันสงบมั้นมีความสุขเออจากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าท่านก็ไปกราบหลวงปู่มั่นีิเป็นไงมาหาเอในพิจารณามันออกไปไหมไม่ออกครับครับผมมันไม่ยอมออกเลยมันจะไมแต่เข้ามาหาความสงบเพราะออกไปแล้วมันเหนื่อยมันไม่ยอกไม่ออกไปเออมันมันทุก มันไม่ไม่ออกไปพิจารณาหลวงปู่มั่นท่านเห็นเออหลวงตามหาบวัวแค่เท่านั้นแะ่ะท่านกระนาบใหญ่เลยเฮ<ะ>้อมันต้องนำไปพิจารณานะการอยู่ที่ในสมาธินีน่เหมือนกับเนื้อติดอยู่ใ น, ในไรฝันนั้นเองมันจะหาความสุขได้ที่ไหนเออต้องพิจารณา สมาธนะิน่ะมันมันมีความสงบประเดียวประเด้าวตัวเองบนกับเรานอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วกันนะ่ะไ อ, อสิ่งอื่นที่มันทุกข์มันมีมากจากนั้นก็นสงบคือนอนหลับท่านเองต้องพิจารณานะมันจะถอนหน้าถอนโคลนถอนโครนกิเลสออกจา ก, กจิตใจได้เพราะฉนั้นต้องพิจารณาต้องให้ออกนะอยู่อย่าไปอยู่นะเนิ่นช้านะแต่นี่หลวงตามหาบัวหลวงปู่มั่นกระนาบพิจารณานะ บ, บังคับให้ออกพิจารณาอย่างที่ว่าแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายพอพิจารณาโอ้โหทีนี้ตะเริเปิดเปิงทีนี้คล้ายๆโอ้โหเห็นผลทําไมเราจะไป น, นอนหลบนอนนี้เเหมือนกับกินข้าวเสร็จแล้วก็ไป น, นอนอยู่ในห้องไม่มีผลงานอะไรเลยทำไมยังไงถึงจะได้เป็นสมบัติเป็นเนื้อเป็นหนงังเป็นชิ้นเป็น น, นันมีแต่กินแล้วก็นอนกินแล้วนอน อสมบัติไม่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโอ้เรานอนเสียเวลาเป็นเป็นปีๆหลายปีเออเนี่ยเราไปอยู่ในสมาธินั้นจากนั้นพอพิจารณาออกไงมันออกเตลเิดเปิดเปิงเต้นไปไงเออจนไม่จนไม่เข้าสมาธิไม่ได้เพราะมันพิจารณามันเห็นผลพิจารณาแยกตัวกลร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรา กายกับใจใจกับกายมันคนละอ่านกันมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวมันรู้เพราะจิตใจผ่านเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานมาแล้วเมื่อพิจารณามจะเห็นจริงเห็นจังขึ้นมายอมรับยอมรับยอมรับแต่มันเข้าสมาธิไม่ได้แต่มันเตลิดเปิดเปิงถึงเข้าไปกราบหลวงปู่มันโอกาสพ่อแม่คุยจาย์มันพิจารณามันออกแล้วนะกับผมถึงมันออกได้จนนอนไม่จอดนอนไม่ได้มันออกทั้งวันทั้งคืนนุ่จนนอนไม่มีเวลานอน อ, อหลวงปู่ท่านกงคงจะมองเห็นเ่ะตาแข็งขึ้นมาท่านก็บอกเอ้ยจะไปเอาให้ออกอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อพิจารณาก่็ต้องพิจารณาในเมื่อจุดที่น่ะให้กลับมาสมาหาสมาธินะเดี๋ยวเป็นบ้านะนะเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านบอกถ้าออกเตลิดเปิดเปิงท่านไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนออกเกินไปท่านก็ไม่ให้ออกอีกเหมือกันให้กลับมาหาสมาธิ ให้ทำจิตใจให้นิ่งให้สงบนี่แหละคือกรรมฐานสายลูกปูมันท่านบอกว่าถ้าว่าเหมือนกับเราออกไปทำการทำงานพอทำการทำงานเสร็จได้ผลงานแล้วา ง, งานได้ขนาดนั้นแล้วต้องกลับมาทานอาหารแล้วก็พักผ่อนนอนแล้วก็ฝนมีดรับปีดเท่ขมพอได้กำลังแล้วก็ออกไปอีกไปทำงานอีก พอทำงานอีกเหนื่อยออพอเหนื่อยล้าข้าไปแล้วกมีดมันทื อ, อกลับมามาทานอาหารมาพักผ่อนฝนมีดแล้วก็ต่อสู้อีกนี่หละคือท่านให้ทำอย่างนั้นคือสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องยึดทางด้านจิตใจเราจะไปทำงานแบบวิปัสสนาตรรตรเปรดิดเิงไม่ได้ถ้าหากมีแต่สมาธิอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้คิดไม่มีปัญญาวิปัสนาออกไปเลยไม่ได้เพราะนั้นทั้งสองอย่างสมัทาคือทำจิตใจให้สงบวิปัชนาคือนำการกลองไตรตรองเหตุและผลในเมื่อจิตใจของเราได้รับความสงบเป็นสมาธิดีมาแล้วนาในเมื่อนำมาพิจารณาการกรองไตรตรองเรื่องอะไรจะเป็นเหตุเป็นผลจะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราว ตัดกิเลสได้แต่ถ้าว่าเราไม่จิตใจราะเราไม่เป็นสมาธิเรานำมาพิจารณาเลยได้ไหมได้แต่ว่าการพิจารณาโดยมากเป็นสัญญาขัสังขารสัญญา ค, คือความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งมันไปด้วยกันมันจะตัดกิเลสไม่ขาดเพราะอะไรเพราะจิตใจไม่เป็นสมาธิถ้าว่าจิตใจของเราผ่านสมาธิเป็นสมาธิมาแล้วนามาพิจารณาทางด้านปัญญา ก็เป็นปเป็นปัญญาเป็นวิปัสนาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในพวกเราคณะสัตว์ทายาทโยมทุกๆท่านให้ฟังเอาไว้จุดนี้นะสมถะคือทํำยังไงวิปัสสนานั้นคืออะไรสมรถะคือทําจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้นิ่งจิตใจให้สงบไม่ต้องคิดถึงอย่างอื่นแต่วิปัสสนานะให้ถาให้ทําต่างกลมต่า ง, า ง, างวาระในเมื่อพิจารณาอย่าไปคิดถึงความสงบ ในเมื่อในทําความสงบอย่าไปคิดถึงทางวิปัสสนาอย่าไปคิดถึงนํามาพิจารณาเมื่อสมะถะคือทําธรรมถะคือทําเป็นใจิตใจให้สงบนิ่งในเมื่อสงบเนิ่งพักผ่อนแล้วนําไปพิจารณาทางวิปัสสนาการทาวิปัสสนาคํานีนะ้เมื่อพิจารณาร่างกายสังขารพิจารณารู้สิเพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาธรรมา คนรอนมันหลงร่างกายอันดับแรกท่านจึงให้พิจารณาร่างกายคนรอนมันหลงร่างกายหลงว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหลงตัวเองเออว่าเจ็บสวย ง, งดงามว่าจะไม่เท่าไม่ชราแต่มันไม่เป็นอย่างนั้น อ, อ, อายุมากขึ้นไปเท่าแก่ชราขึ้นมานะมันจะเห็นได้เลยเผมหงอกฟันหุดหนังเหี่ยว ตาฝ้าฟางหูตึงสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะบอกถึงความแก่ทั้งนั้นเพราะนั้นเมื่อแกแล้วจะไปยังไงแกไปก็ถึงไปถึงจุดจบของชีวิตคือความตายในเมื่อถึงความตายแล้วแต่เราว่าเป็นของเราเนอะขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสามีภรรยาลูกหลานเงินคำทรัพสมบัตเิเลือกชวนได้นา บ้านช่องวัดวาศาสนาลูกศิษย์ลูกหา อ, อย่างเนี้ยจะเป็นของเราได้ยังไงขนาดร่างกายตัวเองยังที่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่ตจองต้องปล่อยต้องทิ้งทั้งหมดร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะใจที่ผ่านความใจที่ผ่านสมาธิมาแล้วมันจะมองเห็นได้ชัดอมองเห็นกายจากนั้นก็มองเข้ามาหามาสู่ใจของเราทีนี ใจของเราไปหลงร่างกายใช่ไหมเมื่อหลงร่างกายแล้วก็หลงอย่างอื่นขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งอื่นจะเป็นของเราได้ยังไงใช่ไหมใจเมื่อใจผ่านสมาธิมาแล้วผ่านความสงบมาแล้วมันจะเห็นได้ชัดยอมรับเลยว่าใช่ร่างกายของเราอีกมันอย่างหนึน่ของอย่างอื่นจะเป็นของเราได้ยังไงจากนัก็มองมาหาตัวผู้รู้คือใจ พอมาวมามหาตัวใจพิจารณาใจอีกจะไงออใจดูใจตัวนี้ต้องต้องมาหาสติมาหาปัญญาต้องปัญญาคัตโนมัติเลยปัญญาที่เสียบแหลมมากตัวนี้คือว่าเผลอไม่ได้ตัวนี้มองดูใจของตัวเองพอมองเขามาหาใจตัวเองเขาจะเห็นใจเขาเองเห็นอเ น, นจดั่งคือของไม่เที่ยงมันหลุกเล็กลุกเล็กลุกเล็กหลุดเ ล, ล็กมันคิดตังนี้คิดตรงนี้ปุ่งนั้นปุงนั้นไงนน นั่นจะเป็นของเทีย่ยงได้ยังไงอันนี้แหละใจของเราเป็นของไม่เทีย่ยงสิ่งไหนไม่เทีย่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางกระทั่งใจตัวทั้งผู้รู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางไปที่ใจอีกนี่แหละหลัลกธรรมคาสอนของพุทธทปล่อยวางเป็นระขั้นเป็นละขังขั้นนอกขั้นนอกจะมาถึงปล่อยวางกระทั่งถึงใจใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในใจอีกต่างหาก ในเมื่อปล่อยวางที่ใจแล้วจะได้อะไรมันไม่ได้อะไรมันปล่อยวางแล้วจะได้อะไรเอีพรความไม่ยึดมั่นถือมัน่นในร่างกายมันปล่อยวางได้ได้ความที่ไม่ยึดมั่นถือมันน่นนะแต่สิ่งที่ได้นะั่นคืออะไรเหมือนเราตะกรอนเราไม่รู้กอไก่เออไม่รู้กอไก่ขอไข่ขอปวด ABC ีซดีแต่เมื่อเรารู้แล้วไอ้ตัวที่มันไม่รู้มันหายไปไหน มันก็หายไปอยู่ในจุดตรงที่มันรู้นั่นแหละนี้ก็เหมือนกันในเมื่อเราปล่อยวางจุดนั้นแล้วเรารู้แจ้งเห็นจริงในจุดนั้นแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายคลายใจปลุกพ้นจากอาสวะกิเลสกิเลสก็ไม่เข้ามาอยู่ในจิตใจเพราะรู้แล้วเรื่องต่างๆมันออกไปจากที่นี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคระทาญาทโยมลูกหลานทุกคนนะนี่คือแนวแถวสายหลวงปู่มั่น ที่หลวงพ่อเองได้ศึกษามันตามแนวแถวขององหลวงตามหาบัวนะเออแต่หลวงตากับหลวงปู่ของเราเออเขเป็นญาติธรรมกันเป็นลูกศิษย์ในแนวแถวของหลวงปู่มั่นเหมือนกันอันให้พวกเราฟังเขาศึกษาเอาไว้ให้ฟังเอาไว้แต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อหลวงพ่อพูดให้ฟังให้พวกเรานําไปคิดนําไปกันกรองตรายตรองอีกที่นึงเออนี่แหละตามแนวแถวที่ หลวงพ่อได้ศึกษามาแต่หลวงพ่อมั่นใจมั่นใจว่าที่ได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวไปนี้นะหลวงพ่อก็เชื่อมั่นอย่างนั้นอีกต่างหากยังได้มานะเอามาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเล่าขานให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาการเดินสมาธิสมา ธ, สมาธิทํำยังไงแล้วการอยู่ด้วยกันตั้งแต่ทานมีผลยังไงเรื่องศีลมีผลยังไง เรื่องสมาธิเบื้องต้นบริกรรมอย่างไรแล้วก็เรื่องภาวนาพิจารณาอย่างไรวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาต่างกันอย่างไร เ, เมื่อปิดจิตที่เป็นจิตเข้าสู่ความสงบแล้วนำมาพิจารณาพิจารณาอย่างไรนี่แหละที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเรา ท, ทั้งหลายได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษา เพราะนั้นให้พวกเรานําไปการกรองไตรตองและนําไปประพฤติปฏิบัติมักผลนิพพานอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นในวันนี้ที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษตว่าบัณฑิตานั่นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานาังข ย, วยาวยาธรรมมาสร้างคาราอัปมาเดนะทัมปะเดทาติบัณฑิตานั่นจะเสวนา หลวงปู่ของเราเป็นบัณฑิตนักปราชญ์พวกเราเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาศึกษากับองค์หลว ง, งปู่หลวงปู่เป็นผู้ชี้นําชี้แนะให้พวกเรารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักรู้จักสิ่งควรไม่ควรมีประโยชน์ถ้าเราไปพบกับภาลชนคนที่ชั่วเสียหายจะทําให้ตนเองเดือดร้อนนะอ่าอันนี้เราเข้ามาพบกับบัณฑิตนักปราชญ์จากองค์หลว ง, งปู่ของเรา เรามีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขออรว่าสบายใจตายใจได้และก็บูชาจะบูชชนิยานางบูชาบุคคลที่ควรบูชาหลวงปู่ของเราเป็นบุคคลเป็นปูชนิยบุคคลเป็นบุคคลที่ควรบูชาท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบออมาโดยตลอดพวกเราในฐานะลูกหลานก็บูชาพระคุณของท่านเออเอื้อเฟื้อเอื้ออารีเคาเขารบโนบน้อมท่า น, น, น, อ, านอันนี้น่ อปูชาจะปูชนียานะั้แต่หลวงพ่อย้ำท้ายอีกว่าขายะวยะธรรมมาสังคารอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติแต่พวกเราจะคบบัณฑิตก็ตามปูชาปูจักปูชาทุกคลที่ควรปูชาก็ตามเราจะทําดีทําชั่วยังไงก็ตามแต่อีกสักวันหนึ่งร่างกายสังขารของเราเป็นของไม่เที่ยงอจะต้องถึงจุด พูดง่ายๆแครยะวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไปเที่ยงอัปมาเดนะทัมปาเดธาติตัวรางท้ายเลยว่าขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือเป็นพุทธ ภ, ภาสิตหรือว่าเป็นพุทธทัพพาสิตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย ในวันเดือนหกแผ่นก่อนที่พระ อ, องค์จะปรินิพพานคือจะปิดพระโอษฐ์ในคืนวันนั้นโจนสว่างในวันนั้นพระสงฆ์นั่งนั่งพร้อมรอพระ อ, องค์ตัดว่าขยะวยะธรรมมาสังคาราอัออปมาเดนะซัมปาเดชาติหลวงพ่ อ, อ, อเอาแต่ช่วงท้ายๆไปปลา ย, า ย, า ย, ายนะมาพูดให้เราฟังท่านบอกว่าท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่างประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดจากนั้นพ่อโอ๋ก็ปิดพระโ อ, อ์ไม่ตรัสไม่พูดอะไรอีกต่อไปเลยนี่แหละอันนี้ขอให้พวกเราพ ว, พวกท่านน ะ, ะได้นำทำคำสอนของพทุทธทเออย่างที่ว่าบันฑิตานั้นจะเสวนาะให้ครบบันดิตนักปราชบูชาจะปูชานนิยนะา น, นบูชาบุคคลที่ควรบูชา ขยะวยะธรรมมาสังคาราสรางขารร่างกายเป็นของไปเที่ยงอีกสักวันน่จะต้องถึงจุดจบและกัพวกเราท่านทายาทตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีประโยชน์ตนการธรมาหาเลี้ยงชีพในการการเป็นอยู่ในครอบครัวก็ให้ดูแลครอบครัวและก็พร้อมกันก็ให้ประกอบคุณงามความดีมดมมมดสังสมบุญกุศลอย่าตั้งอยู่ในความประมาท แล้วก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมที่เราจะช่วยเหลือได้นี่แหละพระโลงท่านให้มองตนให้มองผู้อื่นเพระนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธาญาดหลวงพระเนรนนิลูกหลานน้องหลวงท้งหลายแต่หลวงพ่อไม่พูดถึงครูบาอาจารย์นะพูดถึงน้องหลวงทางหลายพระเนริลูกหลานทางหลายคณะสัทธายาดหลวงท้งหลายเราทางหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเรามันมีจุดจบ อีกสักวันน่ะถึงจะรักขนาดไหนพอใจไม่พอใจขนาดไหนข้าพระเจ้าจะต้องตายจะต้องหนีจากเขาเห็นไหมประบัติตองเดพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทันรับผิดชอบขนาดไหนแต่อีกสักวันน่ะพระองค์ก็ต้องวางมือแล้วเราเป็นใครเราเป็นใครเราจะไม่วางมืออย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้ เราต้องวางเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะวางเราควรจะประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่พระพุทธองค์ที่ได้ตรัสไว้ว่าปุกเพนิว่าสานุจติญาณและเลือกชาติผนหลังได้เพราะฉะนั้นพวกเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะย้ายพบย้ายชาติไปตกปารโลกภายภาคหน้าเรามีทุนทรัพย์หรือยังเราประกอบคุณงามความดีหรือยังเรามีบุญ ในจิตในใจของเราเพียงพอหรื อ, อยังอันนี้ให้พวกเราทบทวนดูไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายทบทวนดูแล้วเป็นที่อุ่นใจไหมการประกอบคุณงามความดีของเราบุญคุณศลของเราที่จะไปสู่ปรนโลกภายภาคหน้านะมีเพียงพอหรื อ, อยังเป็นที่อุ่นใจหรื อ, อยังอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดนะคณะสถาญาติโยลูกหลานทุกๆท่านนะ แต่หลวงพ่อเองที่พูดทางนี้ทางนั้นยาวเหเียดนะมาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะเพระพุทธอค์เคยตรัสกับท่านสาริบุตรนะอัครส า, าวกเบื้องขวาของพระพุทธยาเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปัญญานะดูก่อนสาริบุตรที่เราตถาคตตรัสไปเนี่ยนะพูดไปเนี่ยนะเธอเชื่อไหมพระสาริบุตกรกลาบพูดว่ายังไม่เชื่อพระเจ้าข่านะ พระสงฆ์ทั้งหลายก็คือฮาอันโภคพระพุทธสารีบุตรแสดงว่าลืมตนลืมตนพระนงตนอย่างมากขณะพระพุทธเจ้าตรัสให้ฟังต่อพระพักตร์ต่อหน้าแท้ๆอย่างปฏิเสธได้เทศทศสารีบุตรท่านสารีบุตรทักจะเกินไปเใช่แล้วท่านนงตนเกินไปใช่แล้วพระองค์บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเดี๋ยวเราจะถามสารีบุตรอีกทําไมสารีบุตรเธอจึงไม่เชื่อที่เราตรัสหรือพูดไปนี่ พระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเพราะข้าพระองค์อย่างเด็ดอยังไม่ได้นำไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระโององค์นำไปกันกลองนำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรข้าพระองค์จะมากราบทูลพระองค์พระพุทธองค์เมื่อภายหลังพระเจา้า่านี่หละสงฆ์ทั้งหลายได้ฟังเสิ่งไหนมาให้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อให้นำไปปฏิบัติดูก่อน ให้เมื่อนำไปปฏิบัติดูแล้วเห็นผลอย่างไรยังค่อยมาพูดกันจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะทุกวันในโลกทั้งโลกโลกโซเชียลโลกอะไรแต่ไมีอะไรให้พวกเราฟังไปแล้วต้องการกรองไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปเชื่อที่เดียวนะถ้าเชื่อที่เดียวเนะ่เป็นเจือของคนเป็นเหยื่อของคนที่เขาฉลาดกว่านะ เขาอ้างเหตุผลคือมาเราก็เชื่อไปตามเขาแต่พอปฏิวัติไปแล้วมันตายมันทำให้เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้พวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทลูกศิกษย์ของพระพุทธเจ้าขนาดภาษาริบุตรนั่งเฉพาะปะพักปกใจพระพุทธองค์แสดงทำให้ฟังยังถามสาริบุตรสาริบุตรที่ตะถาคตตรัสไปนีนะ่เธอเชื่อไหม ภาษาลิบุตรยังปฏิเสธเพราะยังไม่ได้นำไปการกลองยังไม่ได้นำไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่ฟังเอาไว้แต่นี้คือเป็นบทที่พุทธศาสนาพุทธองค์สอนไม่ให้เชื่อง่ายๆให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรอบคอบนะวันนี้อาตมาภาพได้กล่าวสมมติธนิยกถานในวันครอบ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 และกะบุญบา ร, รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงบำเพ็ญอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นพระ อ, องค์บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อดูแลปกป้องประเทศชาติลูกหลานคนในชาติไทยของเราขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนา ทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเถิน